พุทธธรรมฉบับปรับขยายบทแรกของภาคที่สองชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่11บทนำของมัชิมาปฏิปทาคือมรรคหรือทางสายกลางขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าในหนังสือจะมีบทความพิเศษอยู่ต้นเรื่องของพุทธธรรมภาคที่สองคือภาพรวมมัชิมาปฏิปทาซึ่งท่านนำไปพิมพ์รวมกันไว้กับภาพรวมของมัเจนะธรรมเทศนาซึ่งเป็นภาพรวมในภาคที่หนึ่งภายใต้ชื่อว่า กุธธรรมเฉพาะภาพรวมและชุมรวมผลดีได้จัดทำเป็นเสียงอ่านก่อนหน้านี้แล้วเพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วนควรได้ฟังก่อนหรือย้อนกลับไปฟังอีกครั้งนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้รอบรัวทรงพลรัตนอาภาอตโตยิพนมรักเพชเสเถียนเข็มทองโภคาพาณิชพลอยัยลินสุทธิเดชสงพรทีโสนิชามาโซภาอุไรสีเมือง ทิพยเกษรใช้บางอย่างวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตวิวัฒยองเอ็นนงรักสุวกรัญญนัททองบุญปัญญาโกจันร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องและในรายละเอียดทุกช่องทางที่จำรมผลดีเผยแพร่และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับขอทุกท่านจเจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง